ที่วิธีการเรียนรู้เนี่ยเหมือนกันที ie, still, yeah, yeah, ่ฟังฟ yeah. ังดูบาที่พวกเรายังยังไม่เข้าใจรูปแบบยังไม่เข้าใจรูปแบบเนี่ยยังไม่เข้าใจรูปแบบที่มันนั่นน่ก็บอกแล้วว่ารูปแบบคือขบวนการทำซ้ารู้จักขบวนการทำซ้มไหมรู้ไหมขบวนการทำซ้ะ ม, มันทําสิ่งนั้นขึ้นมาหลายๆครั้งกระบวนการทําซ้ำเนี่ยมันทําสิ่งนั้นขึ้นมาหลายๆครั้ง อ, อ, ง อ, ง ย, งอย่างรองเท้าอะ่ะเขาปั๊มขึ้นมาเนี่ยรองเท้าอะ่ะไม่ว่าจะปั๊มรองเท้าขึ้นมาเป็นเป็นรือขวดน้ําเนี่ยชัดเจเนอย่ขวดน้ําเนี่ยขวดน้ําเนี่ยมันมีแบบแบบเดียวนะใช่ไหมแต่มปั๊มขวดออกมาเนี่ยเอาเม็ดพลาสติกฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเป็นล้านล้านขวดแต่มันแบบแบบเดียวกันใช่ไหม แต่มันมันปั๊มมันเรียรูปแบบซ้ํา้ำซ้ำซ้้ำซเนี่ยเรียกว่ขบวนการทําซ้ํามันไม่ได้เป็นเรื่องวิเศษอะไรหรอกเป็นกระบวนการทําซ้ําเฉยเฉยทุกอย่างก็เลยบอกว่าที่เคยพูดไว้ขบวนการทําซ้ําของธรรมชาติที่มันเป็นทั้งด้านพันธุกรรมอ่อย่างหมาก็เป็นหมาแมวก็เป็นแมวอย่างนี้นกก็เป็นนกนกก็เป็นชนิดของมันน่ยชนิดใครชนิดมันน่ย ปลาก็เป็นปลาชนิดใครใชนิมันอย่างปลาดุกยังเป็นแบบปลาช่อนใช่ไหมธ ร, รรมชาติไม่ทําซ้ำหรอกไม่เกิดการผสมกันผิดผิดสายพันธุ์แล้วก็ปราช่อนก็จะเป็นปลาช่อนอยู่นั่นแหละปลาดุกก็เป็นปลาดุกอยู่นั่นแหละใช่ไหมเส้เดือนก็เป็ น, ส น, นไนส้เดือนอยู่นั่นแหละเกิดกิจี่กิที่ก็เป็นไส้เดือนนั่นแหละเรียกกระบวนการทําซ้ําแล้วกระบวนการทําซ้ําของอารมณ์ก็เหมือนกันเวลามันชอบก็จะชอบอยู่นั่นแหละอะไรกระตุ้นมาอะไรกระตุ้นมาก็ชอบอยู่นั่นแหละ ชอบของมันอยู่นั่นเนี่ยเวลามันไม่ชอบก็มไม่ชอบอยู่นั่นเนี่อารมณ์ต่างๆมันก็เป็นกระบวนการทําซ้ำของมันเหมือนเดิมฟุ้งอย่างฟุ้งฟุ้งฟุ้งอ่ะมันจะไม่เหมือนไม่ฟุ้งได้ไหมไม่ได้มันก็ฟุ้งกี่ทีก็ฟุ้งฟุ้งอย่างเงี้ยนี่ก็เรื่อกระบวนการทําซ้ํากระบวนการทําซ้ำชนิดรูปแบบที่เราจะเอาเนี่ยเราต้องรู้จักเอามาฝึกเอารูปแบบมาฝึกใจอ่ะเราต้องรู้จัก เราต้องการเอารูปแบบอันนั้นมาฝึกใจเราแล้วรูปแบบของการสร้างจังหวะนี่กับเหมือนกันเนี่ยมันจบไปแล้วก็ยกมาใหม่มันจบไปแล้วก็ยกมาใหม่มันจบแล้วมันจะต่างจากอะไรจากรูปแบบของการปั้มขวดปั้มขวดกับปั้มใจต่างกันยังไงเนี่ยันเนียก็ไม่จะต่างกันหรอกแต่บางทีบางคนเนี่ยไปเอารูปแบบไปเอารูปแบบทีนี้รูปแบบที่เราจะใช้ รูปแบบที่เราจะใช้อก็ฝึกรู้การเกิดการหายนี่แหละคือรูปแบบอะไรมาก็รู้มันเกิดรู้มันหายก็ฝึกรู้สึกนั่นแหละรู้สึกตัวนั่นแหละรูปแบบของภาวะของรู้สึกตัวนะแล้วรูปแบบของภาวะรู้สึกตัวยังไงรู้สึกตัวของแต่ละคนก็จินตนาการไปเถอะอะไรก็ไปรู้ที่รู้สึกตัวของฉันมันเหมือนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือมันของหลวงพ่อเทียนหรือเปล่า หรืรู้สึกตัวของฉันมันเป็นจินตนาการของฉันเองก็จังเป็นแบบนี้แบบนี้อบางคนพอรู้สึกตัวปุ๊บอ่ะมันต้องนิ่งนิ่งอ่ะนั่นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วนั่นคือนิ่งนั่นคือรูปแบบของนิ่งพอรู้สึกตัวปุ๊บมันต้องสงบอ่ะนั่นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วนั่นคือความสงบเอาเข้าไปทีนีอ่ารู้สึกตัวของฉันมันต้องร่วงร่วงปร่งโปร่งอ่ะนั่นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วมันร่วงร่วงโปร่งอย่าลืมว่าอะไรมันเกิดแล้วมันหายมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่นะอย่าลืมอะรูปแบบของรู้สึกตัวคือรู้การเกิดการหายอะการเกิดการหายที่มันมีอยู่เดี๋ยวเนี่ยที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวเนี่ยมันอย่าไปฟังเสียงเสียงมันเกิดเสียงมันหายเนี่ยหรือใจมันกำลังอินกําลังรู้สึกเข้าใจรู้สึกชอบใจเนี่ยเห็นมันหรือเปล่าเนี่ยมันกำลังเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมกลังตั้งใจฟังกำลังสงใจฟังจดจําเอาไปเช็ดเห็นหรือไห่ พวกนี้ยมันคือรูปแบบของมันอ่ะที่ไอตัวรูปแบบคุณรู้สึกตัวอย่างนี้คือเห็นภาวะของการเกิดการหายของสภาวะอารมณ์พวกเนี้ยนั่นแหละคือรูปแบบที่เราจะเอาทีนี้ถ้าเราจะเอารูปแบบตัวนี้มันก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมอ่าเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยเราเอามาไปขุดได้ไหมมันก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ในการขุดมีจอบมีเสียมใช่ไหม ขุดขุดขุดขุดขุดขุดไปเราต้องการปลูกต้นไม้ใช่ไหมให้มันได้ร่มได้เงาได้ผลกินใช่ไหมแต่อุปกรณ์นั้นน่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเราเอาไปด้วยไหมยใครจะแบกอุปกรณ์ไปด้วยไปไหนก็แบกอุปกรณ์ไปด้วยไม่ใช่นะอุปกรณ์นี่ฉันดีมากเลยช่วยฉันปลูกต้นไม้ให้ได้ให้ต้นไม้ฉันได้เติบโตได้กินได้ร่มได้เงาฉันก็แบกไปด้วยไปที่ไหนก็แบกไปด้วยจะได้ไหม คนนั้นคนดีหรือคนบ้านันคนบ้าใช่ไหมไม่ใช่คนดีใช่ไหมที่อุปกรณ์เนี่ยมันเยอะแยะเลยแหละอุปกรณ์ของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ละวันเนี่ยอุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยแต่เราต้องจับหลักให้ได้ก่อนเราจะปลูกอะไรเราจะปลูกภาวะของรู้สึกตัวนี้นะให้กับจิตใจเนี่ยเราต้องการแค่นั้นแนี่ย ที่อุปกรณ์เนี่ยมันเต็มไปหมดใช้ได้หมดเลยอุปกรณ์ก็คือให้เห็นภาวะของอะไรก็ได้ที่ก็เกิดดับเดี๋ยวนี้นั่นแหละอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่มันอะไรก็ได้เช่นเสียงได้ยินมาปุ๊บเออได้ยินเสียงมันเกิดแล้วก็ดับไปอยา่างอาตมาไปเดินเดินอยู่อาตมาไม่ได้ยอะไรเดินเฉยๆนะดูอะไรจะเกิดพอได้ยินเสียงจี้ๆอ่านี่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ดับไปแล้วอ่า น, นี้มันคิด ยังงูเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วอาตมา ก, ก็ได้ทั้งสองตัวในช่วงเซี่ยวนาทีเดียวได้ยินทั้งเสียงที่กระทบปุบ๊บแล้วได้ยินทั้งได้เห็นรู้ทั้งความคิดที่กระทบเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วตัวรู้ก็อย่าอิสระทั้งเสียงที่เกิดขึ้นและทั้งที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละได้ฝึกเลยนั่นแหละได้ความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทีหนึ่งตื่นขึ้นมาสบายสบายทีหนึ่งได้เข้าใจมัน แต่เมื่อก่อนถ้าไม่มีความรู้สึกตัวตื่นึ้นไหจะหลงไปกังวลจะหลงไปกังวลอะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ยังไงมันเป็นงูหรือเปล่าเป็นอะไราต้องเดินไปดูอะเมื่อก่อนเนะี่ยไปนอนนอนที่ไหนก็ตามเน่ะไปนอนอยากไปนอนในป่าอะไรทีนะเวลาเสียงดังแล้วมันจะกลัวผีใช่ไหมเอาไปใช้ไปดูเลยมันเสียงอะไรเดี๋ยวแก๊กแก๊เดี๋ยวแก๊กแก๊กหน้าแหลงไปบนีะ แก๊กแ๊เอาไปแล้วคิดมันก่อนมันไม่รู้สึกตัวหรอกมันไปเอาตัวนั้นมาแล้วก็คิดไปเลยไปกับความคิดเลยมันรู้อยู่แต่ไม่อยู่กับรู้มันอยู่กับคิดกระทบปุ๊บดับไปคิดกระทบปุ๊บดับไปคิดกระทบปุ๊บดับไปคิดคิดแล้วก็ต่อต่อต่อต่อไปนี่ไปนี่ไปนั่นไปเรื่อยเปื่อยต้องเอาไปใช้ไปดูไปดูที่ไหนได้ขังคบมันกระโดดกับใบไม้ เอาบางคืนนะั้นนอนปังปังปงปั ง, งอ๋ออีกลอะอาใหญ่ปัอากลุอีกละเดี็กเคาะปังปังปังปังปังสักพั้งนึ่งมันไม่รู้ว่าพอกระทบปุ๊บเนี่ยบรรยากาศกลางคืนปับ๊บสร้างอารมณ์ร่วมจินตนาการเติมว่าไปเลยสนุกสนานไปดูอา้าวตุกแกมันกินมแมลงและตัวมันใหญ่มันก็เคาะข้างขวาอา่ บางกุติไปนอนเนี่ยเดี๋ยวกซากเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซากอะไรวะ่ามันจาังเจอยาวๆอ่ะอ้าวไปดูทางมานเผามันเจอลมแล้วก็พัดขูดสังกสีขูดซัลเห็นแล้วน้าผีมันอยู่ไหนคิดหลอกเอาตัวเองอยู่ด้านเน่ยเนี่ยทั้ทงที่มันก็เห็นภาวะของการเกิด ดังซากแล้วก็หายไปแต่มันก็คิดต่อมันไม่อยู่กับภาวะของการรู้เกิดรู้หายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อหน้ามันก็เลยมีแต่หลุดไปกับความคิดพอคิดปุ๊บก็จินตนาการใส่ทีนี้จินตนาการใส่เคยฟังเรื่องผีมาที่ไหนมันขึ้นมาหมดเลยกี่ตัวกี่ตัวรูปแบบแม่หนาคภาพขนมอะไรขึ้นมาเกี้ยงเลยมันก็เลยเนี่ย ตั้หาเข้าไปอุปทานเข้าไปกลัวเข้าไปยึดเข้าไปกลัวตัวเองตายตัวตัวเองเป็นอะไรกลัวผีมาบีบคอโว้ยสารพัดเ่ยเพไท้ายอ้๊ไปไปมัก็กลัวตายดีกว่าเข้าใจไว้แต่นอย่างเงี้ยเห็นกระบวนการมันดีดีสิแล้วเราจะสนุกกับมันทั้งวันเนี่ยนั่งสนุกกับมันมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วแล้วใจเราจะอิสระตัวรู้เราก็อิสระเช่น ให้เข้าใจว่าอารมณ์ทุกอารมณ์คืออุปกรณ์เสียงทุกเสียงคืออุปกรณ์กลิ่นทุกกลิ่นคืออุปกรณ์รูปทุกรูปที่ตาเห็นคืออุปกรณ์เนี่ยเมื่อวานไปเดินจงกรมเห็นเดี๋ยรถมันวิ่งผ่านแวบหายแวบหายอ้เราก็ได้ละได้รู้สึกการเกิดการหายของมันเนี่ยไปดูทางนน้นเห็นไอ สัญญาณดาวเทียมอะไรกันแกบบ็แปบบ๊แบแบป๊บแป๊บเอาเราได้รู้แล้ะเห็นการเกิดการหายของของรูปของสีแล้วก็ตื่นตื่นอย่นในปัจจุบันไม่ได้วิคิดอดีตอนาคตอะไรเลยมันก็เห็นเออเห็นตามที่ตาเห็นจริงๆริงเลยแหละเห็นแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บแล้วนก็ไม่เห็นมีอะไรจะดีกว่านั้นเลยสีที่เห็นแบบนั้นกับสีอะไรก็ตามเห็นอะไรมันก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะมันเกิ ด, แ ล, กกดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หาย ฉนันเลยบอกว่าที่ที่อาจารย์กำพลเนี่ยจะบอกเป็นอุปกรณ์เอามาเป็นอุปกรณ์พวก น, นี้คืออุปกรณ์ในการฝึกปลูกตัวรู้สึกตัวแต่พอดนบางทีไปยกมือปุ๊บไปเอาอุปกรณ์นะ่ยไปแบกไนอะ้ที่จะฝึกรู้เอาฝึกรู้แต่ไปเอาไปฝึกอยู่กับมืออ่ะฝึกอยู่กับมือ ก็เหมือนกับเอาอุปกรณ์ไปแบกแล้วแต่ไม่ยอมขุดดินแหะแบกไปแบกไปแบกไปแบกไปมันไม่ได้เอาอุปกรณ์นั้นมาฝึกมันที่ทําไปทํามาก็ไปจมอยู่กับอุปรกรณ์ซะอีกเอาไปเก็บไว้ที่อุปรกรณ์ก็คือเครื่องมือฝึกที่จะให้เกิดภาวะรู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกตึงเห็นการเกิดการหายของสิ่งตัวนี้เอามาเป็นอุปรกรณ์ได้หมดเลยเยอะไหมทีนี้เต็มหมดเลย อ้าวเวลามันเจ็บมาอู้ก็นี่แหละคืออุปกรณ์แหละเจ็บเนี่ยเอาจะไปวุวยวายเอามันเจ็บดูซิมันเจ็บยังไงเวลามันเจ็บนะก็สังเกตการเจ็บที่มันเจ็บหายเจ็บหายเจ็บหายเจ็บหายเดี๋ยวก็หายยาวเลยกว่ามันจะหายเมื่อที่มันเจ็บนานใช่ไหมเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายแล้วก็ดูไปเรื่อยจ้ะ ไอการดูการเกิดการปวดการหายการปวดการหายของมันแล้วมันไม่คิดอะไรเนี่ยนั่นแสดงว่ากำลังฝึกรู้สึกตัวรู้สึกภาวะของรู้สึกตัวให้เห็นตามความเป็นจริงแต่เป็นนานเขา น, นั้นเขาทำไมไม่หายสักทีวะนี่นี่นี่มันไม่นด้ไม่ได้ฝึกดูเฉยแล้ยเริ่มทําไมไม่หายสักทีวะนี่เริ่มแล้วเริ่มที่จะยุ่งกับมันแล้วทเธอเริ่มจะอยากแล้วเธอเนี Lis ่ย ถ้ามันเป็นหายเป็นไหายแล้วหาวิธีแก่ล่ะเมื่อเราวางใจได้เป็นปกติวางใจจะธรรมดาวางใจว่ามันคืออุปกรณ์ในการฝึกเราก็แก้แก้หายก็หายแก้ไม่หายก็ก็ไม่เป็นไรก็ฝึกต่ออเดี๋ยวก็มีตัวอื่นต่ออีกก็ดูตัวอื่นไปสิตัวนี้ชักเซงแล้วมันอ้าแล้วเอาตัวอื่นต่อแต่เป้าหมายของเราอ่ะถ้าเราทําไม่เปลี่ยนเราจะฟุ้งซ่านแต่เชื่อได้ว่าจาทําแล้วมันไม่มีความคิดนะมั น, นจะฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านไปไหนมันจะฟุ้งซ่านเพราะความคิด แต่ถ้ามันฝึกหัดรู้ขณะเดียวในปัจจุบันเนี้มันจะไม่ก็มีความคิดมันจะฟุ้งซ่านอ่ะมันจะฟุ้งซ่านอยู่กับการรู้ต่างความเป็นจริงเนี่ยตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ่างรู้ไปรู้มารู้มารู้ไปเดี๋ยวมันจะเห็นความรู้สึกตัวที่มันมันหลุดออกมาหลุดออกมาดูไอ้พวกนี้เฉยๆเลยพวกนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ไม่เป็นนะมันจะหลงเข้าไปติดไปกับไอ้ที่มันเกิดเลยถ้าเรารู้แบบเนี้ผลท้ายเราจะเห็นไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันลอยอยู่ท่ามกลางพวกนี้แหละ ทำการพวกนี้แหละเนี่มันไม่เข้าไปเอาอะไรแล้วก็ไม่ปฏิเสธอะไรก็ดูตามความเป็นจริงก็มันเพราะมันคืออุปกรณ์เราต้องการปลูกต้นไม้ต้นนั้นน่ะต้นพุทธะต้นรู้สึกต้นโพธิเนี่ยให้มันอยู่ด้วยตัวของมันเองได้แล้วมันจะออกดอกออกผลของมันเองนะปลูกให้ขึ้นก่อนแล้วค่อยคิดคิดถึงว่าผลเนี่ยถ้ามันขึ้นนะถ้ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเมื่อไหร่พแค่มันขึ้นปั๊บเนี่ย ในตัวมันมันจะมีตัวสติอยู่ในตัวมันจะมีตัวสมาธิคือมั่นคงไม่หวันไหวกับสิ่งที่เกิดดับในตัวมันจะมีปัญญาอยู่คือเห็นการสภาวะาการเกิดหายเกิดหายของมันในตัวมันจะรู้จักว่าแยกแก่แว่านี่คืออุปกรณ์เป้าหมายคือฝึกตรงนั้นจะกินข้าวก็ฝึกได้จะอาบน้ําก็ฝึกได้เพราะมันคืออุปกรณ์โลกนี้จะเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ฝึกจิตทั้งหมดเลย แต่ถ้าทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้เราจะหลงกับมันทั้งหมดเลยแล้วนั่นแหละคือตัวตัณหาจะเกิดนี่คือคือบวกการอีกการหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะดูแล้วว่ารู้ได้เลยว่าตัณหาเกิดหรือไม่เกิดจะลดตัณหาลดอํานาจลดความต้องการอยากของจิตที่พยายามจะดิ้ตนตวนแสวงหาความสุขที่คิดว่ามันมีอะไรที่ดีกว่า น, นี้ทําให้เกิดความสุขเนี่ยผลสุดท้ายมันจะอยู่ กูอยู่กูดีดีแล้วกู <c ười> ไปต้องไปทาอะไรแล้วอยู่กูเงียยดีแล้วสบายแล้วถูกแล้วที่เกิดมาตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาปุ๊บเนี่ยฉันก็อยู่อย่างเงี้ยฉันดีอยู่แล้วฉันทู่นหลงไปโดนเขาหลอก <c ười> ฉันลงไปโดนเขาหลอกว่าไอ้นั่นน่าจะดีไอ้นี่จะดีเพราะเขาหลอกเขาหลอกกันทั้งโลกอ่ะเราจะรู้อยู่คนเดียวคนสุดท้ายเขาก็จะหาว่าเราบ้า เขาไม่บ้าหรอกอ <g ül> ก็ต้องอยู่กับคนบ้าเนี่ย <g ül> ก็ต้องแกล้งบ้าไปกับเขาอะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ข้าวเรากิน <g ül> ให้ที่เราอยู่นั่นเราเห็นอย่าง น, า น, น, บบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคือดูแบบเนี้ปุ๊บเนี่ยตัวรู้สึกมันจะไม่เกาะอะไรตัวภาวะของรู้สึกตัวมันจะไม่เกาะอะไรมันจะเด่นแต่ถ้าไปเจาะจะไปเจาะจงอยู่กับอะไรอันหนึ่งเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเกาะ จะไปเกาะฉะนั้นอยากสร้างจังหวะก็สร้างไปอยากเดินจังกรมคนเดินไปแต่ขอรู้การเกิดการหายของมันได้ไหมแค่นั้นเองอยากดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปแต่เห็นการเกิดการหายของลมหายใจได้ไหมอยากภาวนาหนอก็ภาวนาหนอไปแต่เห็นการเกิดการหายของหนอได้ไหมแค่นั้นแหะนั่นเอามาใช้ไในบทเลยเนี่ยกรรมฐานาเข้าไปสายไหนได้ทุกสาย เราสายพุทธะ <c oughs> <c oughs> เล่นในทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเขียนเรื่องงากไปไหนในหมดใครทำอะไรด้วยนั่งหายใจแรงๆเขาก็หายใจได้หายใจเข้าออกหายใจแรงๆหรือดูพูดโทรก็นได้หายใจเข้าพูดเห็นคำพูดมันหายหายใจออกโทรเห็นคำโทรมันหายแต่ว่าเราใช้ใช้สมมุติเข้าไปเนี่ยมันจะยากหน่อยในการถอนสมมุตริรู้จักสมมติไหม รู้ยังไงบางทีรู้คนเรารู้อีกแล้วไงชื่อมันนั่นแหละหายใจอยู่ดีๆก็เอาเอาใส่เอากูดเข้าไปเอาโทเข้าไปที่จริงก็หายใจเข้าหายใจออกก็แหละนี่คือสภาวะจริงๆคือหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกที่ไม่มีภาษานะ่ะพอเร า, าใส่ภาษาเข้าไปก็เป็นพูดเป็นโทรหรือก็เป็นหนอเข้าหนอออกเนอเข้าพองเนอยุบเนาะจริงๆไอ้พอมับก็พองก็ยุบมันอยู่เั่นแหละแต่เอาชื่อไปใส่มันเฉย ให้ภาษาที่นี่มันก็จะไปต้องไปแก้ภาษาของชื่อออกจนไปถึงภาษาสภาวะอีกแต่ที่รู้เฉยแบบที่เราทำอย่างนี้มันเป็นสภาวะแบบรู้ตรงๆงกับภาษากับอาการมันเลยไม่ต้องใช้ภาษาใช้ น, น, นี่คือขบวนการในการเอารูปอุปกรณ์น่อย่าไปแบกอุปกรณ์นะต้องรู้จัก หลักก็มันนี่ฉันต้องการฝึกรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยแล้วรู้สึกตัวคือภาวะใดภาวะที่รู้เห็นการเกิดการหายของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เดียวเนี่ยต่อหน้าเนี่ยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องทําด้วยเพียงแ ต, ตเ่เตรียมตัวเท่านั้นเองเตรียมตัวมันมาแล้วก็รู้มันมาแล้วก็รู้สบายจะตายทาทําหามันน่ะเหนื่อยจะตายดักกลัมันเนี่ยโอ้สบายอาไม่โกรธมาก็รู้ว่าโกรธเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ย มันเจ็บมากรู้มันเจ็บอ้าวมันเจ็บแล้วก็ดูสิว่าเจ็บเนี่ยจากเริ่มเจ็บอาจจะเป็นเวลานานใช่ไหมแต่ในเวลานานปุ๊บมันจะมีจุดย่อยๆก็มันอยู่เคยปวดฟันใช่ไหมมันตูบหายตูบหายยังไปเอาเอาเข็มไปแทงไปฝังก็าหน่อแล้วเอาไฟ้าไลากระตุ้นมันจะมีใช่ไหมตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่ยนในความเป็นเข้ามาเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยทําให้เราได้ ฝึรู้สึกเราได้จังเยอะฟุ้งซ่านเอา้าฟุ้งไปสิไปเป็นไรเนี่ยมันฟุ้งซ่านเน่ยเราไม่ได้ฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็รู้ไปเล่เอ่ะเดี๋ยวก็เลิเกลใช่ไหมแล้วมันยากตรงไหนวะมันยากกพรามันคิดมันไปอยู่กับคิดเยอะคิดจะทํานั่นคิดจะทำนี่คิดจะเอานันคิดจะเอานี่ คิดทีใช้มันดีขึ้นฝร น, นี้คิดมันทำไมมันไม่ดีขึ้นฝร น, นี้แล้วเนี่ยพอเรารู้ทุ่พวกนี้นะพอเรารู้เกิดหายเกิดหายเราจะรู้จักว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ดีฝร น, นี้แล้วแล้วมันจะรู้สึกเลยหยุดพฤติกรรมของตนเองทั้งหมดเลยทยํายัางไงยังไงมันก็ไม่ดีฝร น, นี้แล้วทําจนบทปัญญาจะทําแล้วทีนี้ก็ปล่อยแล้วนั่งเฉยเฉยดูวนมาดูวนไป อารมณ์แต่อารมณ์ไปทําอะไรกับมันไม่ดีว่ะเนี่ยอยากฟุ้งก็ฟุ้นี่ยอยากสงบมันก็สงบอยากฟุ้งมันก็ฟุ้งไปเดีิมก็หายอยากสงบมันก็สงบไปเดยมก็หายมันอยากเบื่อมันก็เบื่อมันเบื่อบ้ายเด๋ิมก็หายก็เป็นอย่างนี้นแะค่ะมันอยากมีความสนุกสนานมีความอะไรอเวลามันเห็นอะไรมันก็เออมันชอบมันยังชอบอยู่ชอบแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเดิมก็หาย ไปเห็นอะไรไม่ชอบอยู่มันก็ไปชอบไม่เป็นไงไม่ชอบแล้วก็หายผลสุดท้ายมันก็เลยเข้าใจว่าโลกนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือเจ้าของตัวจริงมันเป็น ส, สมบัติของเขาเรานะอย่าไปหลงเอาสมบัติของเขามาเป็นของเราถ้าหลงเมื่ อ, อไหร่ไปเอาสมบัติของเขามาเป็นของเราเมื่ อ, อไหร่เลยนั่นแห ล, <บ SAM. S 2> ละก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็บอกแล้วหลงไปเอาสมบัติของเขามาเป็นของเราเป็นยังไงอะ เราง่ายๆถ้าทั้งโลกๆคิดง่ายๆได้กันมีคนก็ฝากเงินไว้ให้เราสักล้านหนึ่งแต่เขาไม่ให้เรานะเขาฝากเราไว้นะให้เราเก็บห้ามใช้เราจะรู้สึกยังไงเนะี่ยอ่กลัวเขากลัวเขามารักมั่งกลัวเขาเอาไปมั่งกลัวมัหายมั่งใช่ไหมนอนสะดุ้งนอนผวากังวลมั่งใช่ไม่มมันของเขาอ่ะใช่ไหม เอแต่พอเขามาเอาไปแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะพปโลกเหมือนกันใจเราน่ะถ้าให้เอาอารมณ์ของโลกมาเป็นของเรานั่นแหละใช่ไหมไปเอาอารมณ์พวกเนี้ยทั้งโลกของโลกของมันน่ะไปเอาอารมณ์ของอานิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นของเราเนี่ยเราก็จังเป็นอย่างนี้แหละอืมไม่พอใจบ้างกังวลบ้างเสียดายบ้างมันหายห่วงมันบ้างอะไรมันบ้าง แต่พอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่มันของเขานะไม่ใช่ของเราเรามีสิทธิ์ได้แค่ว่าเชยชมเท่านั้นเองเชยชมแล้วก็มีสิทธิ์ได้แค่ใช้ใช้ไปแต่ต้องใช้นี่คืนนะเอาไปใช้ได้แต่ต้องจ่ายคืนนะต้องจ่ายคืนไม่งั้นดอกทบต้นเหมือนเราไปกู้เงินเข้ามาเนะกู้มา ชั้นในก็เหมือนกันเนี่ยเราเห็นอารมณ์พวกนี้ฟุ้งซ่านมันก็เป็นของโลกมันเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็หายสงบก็เป็นของโลกมันเดี๋ยวเกิดเดีวก็หายรู้นั่นเห็นนี่เข้าใจนูมันก็เป็นอารมณ์ของโลกมันมันเป็นเดี๋ยวก็ลื ม, มทุกอย่างมันก็เลยสบายอาจายงบางคนที่เขาเจ็บปวดมากเนี่ยอืมเป็นยังไงแล้วบอกเาให้ทยังไงดีอือก็บอกฝึกดูมันได คือคือใหม่ๆนะคนใหม่ๆก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันตั้งใจหน่อยมันมีอุปกรณ์สออย่างอุปกรณ์ที่เราตั้งใจทําไงนี่อุปกรณ์เนี้ยไปก่อ์ฝึกอให้หัดตั้งใจทำดูนะตั้งใจดูลมหายใจนะยังใจอยู่กับลมหายใจนะฝึกดูลมหายใจนะแต่อย่าเพิ่งไปสนใจเขาสนใจเราก่อนเอาให้รอดก่อนแล้วถ้าเรารอดนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีไปแนะนําเขาอีกเอาจากพื้นฐานของเราเนี่ยแล้วบางคนเหมือนกันนะ เห็นแล้วไปถามอาจารย์ฉันทำอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้อยากจะเขีดข่วตัวเองทำถูกทำผิดจะไม่รู้จักอีกเ่ยก็หัดไปสิแล้วจะไปเกิดเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเราทำถูกอยู่แต่ท่านบอกผิดอ่ะมีพินาศชีพหายหมดเลยใช่ไหมเราทำถูกอยู่ดีๆท่านบอกว่าผิดเนี่ยทำไมคุณไม่ตรวจสอบคุณเองบ้างว่าคุณทำเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเออ เมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้ฉันดีอย่างนี้คุณก็ตรวจสอบคุณเองสิลองคุณตรวจสอบคุณเองคุณดีขึ้นก็โอเคแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ไปต้องให้อาจารย์ท่านไปการันตีให้ท่านก็เลยหลอกเอากาแล้วอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกถูกบ้างก็บอกไม่ถูกก็เราก็ไม่ร่วมกันอาจารย์ท่านรู้ถูกหรือเปล่าแล้วก็เชื่อไปเรื่อยไปไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้า ผา้ช่วยธบอกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้อั น, นจังทุกขังอนัตตาคุณก็เรียนรู้อันนีจังทุกขังอนัตตาไปสิคุณก็เรียนรู้การเกิดการหายของทุกอย่างไปสิเนี่ยแล้วก็คุณก็ใช้อุปกรณ์ในการเนี่ยเนี่ยซ้อมสร้างจังหวะไปเนี่ยเป็นตัวซ้อมเป็นตัวรูปแบบนมนเป็นตัวรูปแบบเนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยซ้อมไปแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ทำอะ อันนี้เราทำขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมจะไปทําพุทธโธยุบหนอพองหนอะดูลมหายใจอะไรก็ช่างนี่เป็นอุปกรณ์ในการทําขึ้นมาทําเพื่อซ้อมฝึกรู้สึกต้องเข้าใจเป้าหมายเราจะต้องการฝึกรู้สึกฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือสภาวะอะไรรูปแบบของรู้สึกตัวเป็นยังไงเข้าใจไม่หรือไม่เข้าใจที่อธิบายไปต่างหลายเที่ยวแล้วเนี่ยเวียนอยู่นี่แหละ ภาวะรู้สึกตัวคือภาวะที่รู้การเกิดการหายของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นั่นคือภาวะของรู้สึกตัวก็ฝึกไปสิฝึกไปนั่นแหละฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยตัวเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวเดินจงกรมเเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะทำให้เราไปฝึกตัวนั้นโดยใช้รูปแบบใช่ไหม แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นอัตมาเดินเสียงร้องจี้จๆๆอัตมาทําหรือเปล่าเออมันดังขึ้นมาเองใช่ไหมอ๋อ oh. ดังขึ้นเองกูสบายทีนี้ไม่ต้องเหนื่อยละเอามันแล้วแนะ่มาเล่นอ่าอยู่ดีๆลมพัดวูบขึ้นมาถูกเราต้องทํำไหมเดินไปเดินมาแล้วมันเจ็บแข้งเจ็บขาเนี๋ยเราต้องทํำไหมทําเดินจนเจ็บขาอ่าเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันหนาวมันรอ้นรอนก็มันเองเราต้องทํำไหมอ่า ไม่ต้องทำเนี่ยพวกนี้คื อ, อเยอะแยะมากเลยอยู่ดีๆหูได้ยินเสียงอยู่ดีๆนกมันบินผ่านมาให้ตาเห็นรูปอยู่ดีๆกลิ่นมันกระทบจมูกเนี่ยเราต้องทํำไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไ ร, ยไ อ, อ, ะไรอยู่ดีๆมีรถตังเสิ่งบางอย่างเช่นรถกล้วยรถขมรถอะไรที่มันทาให้เราเราก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องทําอะไรพวกนี้ก็คืออุปกรณ์อีก อ, นอันหนึ่งมันมีสองกลุ่ม จำก็จะ ด, ดีอุปกรณ์สองกลุ่มนี่ยกลุ่มหนึ่งที่เราทําขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่ต้องทําแล้วเอาอุปกรณ์สองกลุ่มนี้ไปพัฒนาตัวเดียวคือภาวะของตัวรู้สึกภาวะของรู้สึกตัวพูดรู้สึกตัวก็ได้ปะ <c oughs> ทจริงไม่อยากจะพูดภาวะรู้สึกตัวเพราะรู้สึกตัวแล้วบุคคลมันจะมุ่งไปที่ตัวตวนของตัวเองอะตแต่พูดไปถึงภาวะของรู้สึกเนี่ย มันไม่มีตัวมันไม่มีตัวเดียวรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ล่องลอยมากเลยไม่มีตัวตนแต่ฟ้ า, ารู้สึกตัวเนี่ยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเลยละถ้าจะพูดถึงรู้สึกตัวเนึ่คือไปรู้ที่ตัวรู้สึกะนะนีบางคนไปถามรู้ซื่ อ, อฉันรู้ซื่ อ, อหรือ ย, ยังเรื่องผ่าว่าสมองออมาลา้างพวนี้ ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองรู้ซื้อๆยังไงอก็ไม่เป็นไรฝึกไปฝึกไปแต่พยายามอย่าไปถามคนอื่นให้มาสังเกตตัวเองว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเออไปกระทบกับรูปกระทบกับพวกเนี้ยเออไปเห็นลูกแล้วดูสิเราเฉยได้ไหมโอเคเราเฉยกับมันได้เจออารมณ์พวกเนี้ยเราเฉยกับมันได้แสดงเราพัฒนาแต่เจอแล้วยังวุ่นวายอยู่แสดงว่าอ้าวต้องทำต่อ แค่นี้ก็ตอบอยู่แล้วตอบโจทย์ให้อยู่แล้วแล้วมันจะเอาอย่างไงกันอีกแล้วนั้นถึงว่าอย่าไปใช้กระบวนการคิดใช้กระบวนการรู้สึกลงไปกับภาวะที่มันมันแสดงตัวของมันอยู่แล้วภาวะของโลกถ้าฝึกรู้ต่างความเป็นจริงได้เนี่ยสบายนลแล้วก็เป็นความเป็นจริงที่มีต่อหน้าต่อหน้านี่แหละไม่ไปเอาละเพราะถ้าเจนความจริงเป็นจริงที่เราคิดอยู่ เราคิดเรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตากันแทบเป็นเทบตายแต่ถามดูสิไปเรียนรู้เรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตามันแทบเป็นเทบตายพอรองเท้ากูหายแล้วเอาแล้วใครเอารองเท้ากูไปเอาแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียนอยู่มันไปไหนหมดแต่ไม่ใช่ว่าเราเราไม่รักษานะถึงเวลารักษาอ๋อหายโอ้มันธรรมดาอานิจจังทุกขังอนัตตานะตอนนี้มันใช้เราใช้อยู่คน็ถึงเอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนึกเกลดูบางทีเราเรียนรู้พวกนี้มีอยู่ วันหนึ่งทำไปทำไปเนี่ยให้เรียนรู้เกิดไอ้เกิดวันหนึ่งกระเป๋าตังค์หายพเพราะกรเาตังค์หายปุ๊บไอ้ภาวะที่เขาเรียนรู้ซ้ำๆอยู่นี่นะมันรู้ว่าปั๊บกระเป๋าสีาตังหายแต่ใจมันเฉยเฉยก็ทำ้าที่หาหาไม่เจอก็คือไม่เจอวพาหาไปหามาไม่เจอนะใจก็เยฉยเยนั่นแหละคือใครเอาไปก็เอาไปนั่นแหละแต่หานะ ไม่ใช่ไมหาหานะหานะแต่ไม่ใช่หาไปยกูจะไปใช้ที่ใช้สิ์ยังไงกูเอาสตังค์หายไปแล้วแล้วใครจะเอาอะไรไปแล้วกูจะเอาอะไรไปกินโอ้โหไปเยอะแยะแต่นี่คือทํำมาที่หาเนะี่ยไม่ได้คําว่าที่คิดไ <laughs> <laughs> อ้ น, นั่นหาไปทำหน้าที่คิดไปอะไรไปทําไปว่าไม่เป็นไรหายก็คือหายแล้วผลสุดท้ายพออีกวันหนึ่งมาเจอเอา้าวมันอยู่ในกระเช้านี่มั้ย เขารู้เลยแล้วว่าเขาสอบผ่านเขาสอบผ่านนี่มันต้องอย่างงี้สิใเอเนี่ยฉันดียังเขารู้เลยนี่เขาสอบผ่านใช่ไหมแต่เฉพาะเรื่องนั้นนะแต่เรื่องอื่นนี่กุ้งก็เตรียมตัวไปสิกุ้งก็เตรียมตัวไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นมา ท, ทดสอบคุณอยู่ด้ยเพราะว่าถ้าฝึกจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องสอบอารมณ์ไม่ต้องไปสอบอารมณ์กับใครหรอก ไม่ต้องไปส่งอารมณ์กับใครด้วยตัวที่ปัจจุบันนั่นแหละมันตัวสอบอารมณ์เต็มไปหมดเลยไอ้นี่อะไรไปสอบอารมณ์ปุ๊บเอาอะไรไม่รู้ที่ผ่านมาแล้วมันเล่าให้คูาอาจารย์ฟังแล้วสังเกตไหมเอาแต่เรื่องดีๆอ่ะใช่ไหมโอยฉันได้นั่นได้ที่ตัวโรคตัวป่งตัวสบายแต่จริงๆอ่ะโว้วุ่นวายแทบตายไปเห็นพูดกลัวอีกลัวคนนู้นจะดูถูกเรากลัวคนนี้จะดูถูกเร า, เราฟอร์มนักปฏิบัติมาจากไหนอีกอะ มัวไปหมดเลยอ่ะจบไปทั่วแล้วนั่นดูบันดีๆนะมันต้องเป็นธรรมชาติน่ะธรรมชาติมันมีทั้งดีและไม่ดีให้เราเห็นน่ะไม่ใช่โอ้ว้ยมันอะไรอันเรื่องที่มันสอบอารมณ์เนี่ยมันสอบอยู่เรื่อยน่ะมากระทบปังเป็นไงกระทบปังเป็นยังไงกระทบปังเป็นยังไงแต่ถ้าเราเรียนรู้ตัวนี้ไว้รองรับเรื่อยๆนะเห็นภาวะที่มันเป็นมันสลายมันเป็นมันสลาย อย่าไปคิดอีกนะต้องสรุปก่อนเพรพูดอย่างงี้ปุ๊บเดี๋ยวอยากอีกเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นอีกก็ <c oughs> อบอกแล้วอ่ะมันก็เป็นอยู่แลวว้วอ่ะเอาเดี๋ยวเนี้เอาเดี๋ยวเนี้จะติดคำว่าเข้าใจไหมเอาเดี๋ยวเนี้เนี่ยเวลามันยิ้มเนี่ยเห็นไหมแล้วหายไปเจยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ย ขัดไปอย่างนี้ง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆเพื่อเตรียมตัวไว้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเช่นคนที่ว่ากระเป๋าสต่างหายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมถ้าเราเตรียมไว้เตรียมไว้เพราะอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นปุ๊บสติสมาธิปัญญาจะมาทันทีพอเราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเตรียมแบบไม่มีการมีเวลานี่ยพอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเรื่องนี้มันเกิดแบบไม่มีการมีเวลาใช่ไหมไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนพอเกิดมาปั๊บเราเราดักอยู่แล้วอ่ะแล้วเรารู้เลย พอทันปั๊บเราก็ไม่หลงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ฝึกอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่น่ละ <c oughs> บ้าไปเรื่อยเปยื่อยทะเลาะกข้ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะทะเลาะบอกแวกเข้าไปเรื่อยเ ป, ยไ ป, ไเเปเื่อ ย, ยแล้วก็ไปยึดเรื่อยเปยื่อยแล้วก็ไปหลงอะไรเรื่อยเปื่อยไปแล้วผลสุดท้ายเป็นไงก็ทุกเรื่อยเปยื่อยทุกเรื่อยเปยื่อย ไม่ได้ดีอะแต่ถ้าฝึกอย่างงี้นะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนขบวนการของชีวิตทั้งหมดเลยแล้วคุณพวกคุณจะอยู่กันง่ายง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ตายง่ายง่ายนี่ก็คือชีวิตที่มีความสุขแล้วละ่ะอยู่ยากกินยากตายยากมันวุ่นวายไปหมดเลยนี่ชีวิตที่มีความสุขแล้วอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ตายง่ายยังไม่ตาย มันอาจจะเป็นร่างกายตายแต่จิตวิญญาณไม่ไปตายอีกก็ได้เพราะจิตวิญญาณมันออกจากภาวะของพบภูมิได้หมดแล้วมันก็ไม่ต้องไปอาศัยอะไรเกิดอีกเพราะมันเห็นพบภูมิทุกพบภูมิน่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกพบภูมิไม่น่าอยู่จะเป็นพบภูมิเป็นสวรรค์ที่เรารู้สึกว่าอารมณ์ที่มันดีๆมีความสุขมันก็สลายตัวให้เราเห็นนีหรือจะเป็นพบภูมิที่เป็นนรกที่มันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันสับสนมันฟุ้งซ่านมันโกรธเกี้ยวเขี้ยวันก็อยากจะ อะไรต่างๆเราก็เห็นว่ามันมีภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวหรือเป็นภพภูมิปัจจุบันที่ยังมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นภพภูมิที่เกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวทุกภพทุกภูมิเป็นอย่างนี้เทวดาก็ยังหมดอายุ <c oughs> ใช่หัหยสัตว์นรกเมื่อบทดวิบากกรรมก็ยังหมดอายุไปเกิดอื่นโรคมนุษย์ก็ยังเป็นโลคที่หมดอายุใช่ไหมท่าน โลกสามโลกนี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ควรที่จะไปเกิดอีกพอเกิดอยู่ในโลกไหนภพภูมิไหนมันก็ต้องรับวิบากของภพภูมินั้นแล้วเวลามันต้องจากไปมันก็เสียดายเดี๋ยวเวลามันรินรนหนีไม่ได้กับมันก็ทุกข์แทบตายเดี๋ยวมันอยู่บนโลกบนนู้นเดี๋ยวุ่นวายทุกเรื่องทุกราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นภาพไหม ที่ต้องไปเอาภาพนรกมาถายด้วยอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นภาวะาลองจิตที่มันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีภาวะคลองจิตที่มันหลุดออกมาดูไปเรื่อยๆเราจะจะเห็นภาวะของตัวรู้ที่หลุดออกมาแบบมีพวกนี้อยู่หมดเนี่ยมันเหมือนกับมันมันเหมือนกับกวดน้าเนี่ยทีแรกนะภาะวะจิตเราเปนฝ่ามืออยู่ใต้ขวดน้า พวกนี้ก็จะกดทับไปายเรื่อยๆแต่พอเราพัฒนาภาวะของรู้เกิดรู้วภาวะของรู้ไปเรื่อยๆีย่มันก็จะขยับตัวมนันนี่เออมันเริ่มเบาแล้วสังเกตไหมเรามาวันแรกๆเนี่ยโหนหนักไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเบาแต่พอเราภาวะฝึกไปมากเข้ามากเข้ามันก็จะเป็นนี้แต่พวกนี้ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ใจเรา่เริ่มขยับขึ้นมามาอยู่กับมันอย่างเนี้ก็ยังมีภาวะควรามร้อนเวลาโกรธขึ้นมาก็ ร, าร้อนอยู่อะไรก็ ร, ร้อนอยู่เพิ่มบางทีมันหลงหลงไป เดี๋ยวบางทีก็ลงไปลงไปอยู่ข้างล่างบางที่ก็ลงอยู่ข้างล่างาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวภาวะมันก็สลายตัวแล้วก็กลับมาอีกแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะเป็นภาวะอย่างนี้ลอยตัวแต่ไอ้พวกนี้เขาก็อยู่อยู่ทีถ้าลอยตัวได้เนี่ยเวลามันหลงไปมันก็จะอาไปแต ะ, ะเฉยๆก่อ น, นยังไม่ถึงก็ลงข้างล่างมัน <c oughs> จะสลับอย่างเงี้ยอยู่ล่างมั่งอยู่ข้างมั่งอยู่บนมั่งลอยตัวมั่งแตะมั่งข้างมั่งลงล่างมั่งไปเรื่อยๆเบื่อย แ้่เราพัฒนามันเรื่อยๆปุ๊บต่อไปมันก็จะเริ่มพอมันเข้าใจภาวะพวกนี้อย่างชัดเจนแล้วก็สรุปได้คำตอบเดียวแล้วเหมือนกันหมดนะไม่มีความแตกต่างราบเรียบเหมือนกันหมดเยใจมันก็มันก็อยู่เข้ามาอย่างเงี้ยถึงเวลาจะใช้ก็เอามาใช้ถึงเวลาก็ทิ้งมันไปสบายไหมแล้วสบายไหมตอนเนี้ยยังวุ่นวายเหมือนเดิม หาเรียนรู้ไปเรื่อยเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปฉั้นให้ฝึกแบบรู้สึกแบบอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาได้ฝึกเล่นๆ เ, เอาอุปกรณ์ทั้งที่เราทำขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้ทำขึ้นมามาเป็นเครื่องมือแล้วก็ฝึกรู้เข้าไปแค่เนี้อุตส่าห์ศาสนาฉะนั้นถ้าไม่มีตัวภาวนาแล้วไซส์เนี่ยมันไปไม่ได้จะไปคิดจะไปนึก จะไปทำบุญจะไปให้ทานจะไปรักษาศีลแต่ไม่ทำตัวนี้มันคนละเรื่องกันนะแต่ไม่ใช่ว่ามันมันคนละเรื่องกันแต่มันส่งเสริมให้เกิดเรื่องนี้ได้คนละเรื่องกันแต่มันส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เข้าใจดีๆถ้าเราไม่มาฟังทำเลยไม่มาเข้าวัดเลยไม่เคยให้สานเลยไม่เคยรักษาศีลเลยนะแล้วมันจะมาอย่า ง, งี้ไหม โอ้จะไปหาจะขดเล่าจะไปฟ้าอะไรทีนี่หาอะไรในวัดก็ไม่บมาเคยฟังธรรมเคยรักษาศีลเคยให้ทานเคยมันก็เคยคุน้นเ ค, เคยกับพระฟังไว้เยอะถูกบ้างผิดบ้างก็ฟังไว้ไเยอะฟังแล้วจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างฟังไว้เยอะดีพอไปฟังเสียงอะไรก็ดา่าแล้วก็จำสิ่งดีเวลาพระ พ, พูดเรื่องดีๆไม่เคยจำํำว่าทําไมจิตมันไม่ จิตมันไม่หรือมันต้องเอาแรงๆเอาใจนะที่ไปฮะแต่ละวันเนี่ยเล่นไปเถอะมาตากูเอาตามาหูเอาหูมาจบูกเอาหูมาแล้วเนี่ยให้รู้ทั้งอ่ะมันมารู้แล้วมันจบไปแล้วมันก็คิดต่อแล้วก็จบไปหรือมาแล้วไม่คิดอะไรก็รู้ไปเถอะเห็นสภาวะการเกิดการหายของมันเปนะ็นหลยบอกแล้วว่าไอ้ตัวที่เกิดหายเกิดหายทั้งหมดไม่ใช่ตัวรู้สึก อย่าไปใส่ใจมันดีแค่ไหนก็อย่าไปสนใจไว้ตัวที่มันรู้เกิดรู้หายของสิ่งเหล่านี้น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยพัฒนาให้มันตรงจุดแล้วเราจะใช้เวลาไม่นานาใช้เวลาไม่นานแล้เวเธอใครจะใส่ใจเอวังก็มีโดยประกาศละชันนี้